การบูชาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองแบบด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาและสองปฏิบัติบูบชาอามิสบูชาก็คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ ทุบเทียนต่างๆส่วนการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี้คือการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การบูชาสองแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่แท้จริง เป็นการบูชาที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราบูชากันส่วนอามิตสบูชานั้นจะบูชาก็ได้ไม่บูชาก็ได้แการปฏิบัติบูชานี้ต้องปฏิบัติบูชาถึงจะได้ประโยชน์ดยงที่ได้ทรงตรัสไว้ว่า ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของเราตถาคตเป็นผู้ที่บูชาเราตถาคตอย่างแท้จริงเป็นการบูชาที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะว่าจะได้รับผลได้รับประโยชน์ คือมรรคผลนิพพานนี้เองได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดจากการปฏิบัติบูบชาไม่ใช่เกิดจากการจากอามิสบูชาเจ้นจุดทูกเทียม กราบพระถอยดอกไม้อันนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลในพานได้เป็นเพียงกิริยาที่แสดงออกถึงความเคารพเรื่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังไม่สามารถยังประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราได้รับกัน ก็คือได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันจะหลุดพ้นได้ก็ต้องมีการปฏิบัติบูบบชาเท่านั้นนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นเป็นผู้บูชาเราตถาคต ถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสาวกเราก็ต้องปฏิบัติบูบชากันเราต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเราจะไม่เชื่อไม่ฟังคำสั่งคาสั่งคำสอนของผู้อื่นที่ขัดกับคำสั่งคำสอน ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะคำสั่งคำสอนของผู้อื่นที่ขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะไม่สามารถนําให้เราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะพาเราไปได้ เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกท่านได้ปฏิบัติไปถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านรู้ทางที่จะนําไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดท่านรู้การปฏิบัติที่จะทําให้จิตหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ท่านได้หลุดพ้นแล้วโดยวิธีการปฏิบัติของท่านท่านก็เอาวิธีการปฏิบัติของท่านมาเผยแพ่สั่งสอนบุคคลแรกที่ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราพอพระองค์ได้หลุดพ้นแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาวิธีปฏิบัติ ที่ทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นกันผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุ ทางสู่การพ้นทุกข์วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีใครในโลกนี้เลยที่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดสรู้แล้วนำเอาความรู้ที่พระองค์ได้ส่งค้นพบและได้นำเอาไปปฏิบัติจนทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากกองทุก แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจพอได้ยินได้ฟังก็น้อมนำ อ, ออกไปปฏิบัติแล้วก็ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเป็นจำนวนมากมายเลยในระยะเวลาอันสั้นๆคือช่วงเจ็ดเดือนแรกของการประกาศพระศาสนา คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดวันนาหบูชามาถึงวันเพ็ญเดือนสามคือวันมาฆบูชาที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันนี้ก็มีพระอาหารหันตสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพระที่ได้ปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้บรรู้เป็นพระอาหารหันตาสาวกได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อนนี่คือความมหัศจรรย์ของการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชาแล้วจะได้หลุดพ้นจะได้เป็นพระอาหารหันตาสาวกกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องมาเผยแผ่สั่งสอนก็จะไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยหรือว่าถ้ามีคำสั่งคำสอนแต่ไม่มีการปฏิบัติบูบชา ก็จะไม่มีการหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันเช่นอย่างสมัยปัจจุบันเรายังมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เราไม่ค่อยมีผู้ที่หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะอะไรเพราะไม่มีการปฏิบัติบูบชานี้เองมีแต่อเมธสบูชากันเป็นหลัก ทวกเราเวลาไปวัดกันเรามักจะจุดธูปเทียนถวายดอกไม้กราบไหวบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่เราเพียงแต่ปฏิธรรมแต่อามิตสบูชาเสียส่วนใหญ่ส่วนปฏิบัติบูชานี้แทบจะไม่ได้ทำกันแทบจะเลืมไปว่าเป็นการปฏิบัติ เป็นการบูชาที่ถูกต้องเป็นบูชาที่สำคัญถามชาวพุทธส่วนใหญ่ก็จะถามว่าถ้าไปจะ บ, บูชาพระ พ, พุทธรูปพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะ บ, บูชาอย่างไรเขาก็บอกว่าให้ไปซื้อดอกไม้ทูกเทียนกันแล้วก็ไปกราบจุดทูบจุดเทียนแล้วก็กราบพระสามครั้งหรือจะสวดสันหน่อยก็สวดอิติปิโสหนึ่งจบ ก็เป็นอันว่าเสร็จกันได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วบูชาแบบนี้ยังไม่ได้อะไรมากนะได้กิิยาของการบูชาแต่เนื้อหาสาระของการบูชาคือการบรรลุมรรคผลในพานนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาการการเป็นพระอรหันตสาวกไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจาก อาบิสบูชาแต่จากการปฏิบัติบูชาเนี่นี่คือยุคที่หา่างไกลจากการปฏิบัติบูชาไม่เหมือนยุคแรกๆของพระพุทธศาสนาเป็นยุคที่พร้อมด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยสั่งคอยสอน พอได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติกันอย่างเต็มที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้ามีความเพียรอันแรงกล้าพอปฏิบัติไปไม่นานก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยืนยันทรงรับประกันเลยว่า ผู้ใปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจะสามารถบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันบ้างภายในเจ็ดเดือนบ้างหรือภายในเจ็ดปีบ้างอย่างแน่นอนขึ้นอยู่ที่ความพร้อมความสามารถของแต่ละบุคคลว่ามีความพร้อมมีความสามารถมากน้อยเพียงไรบางคนมีความพร้อมมากมีความสามารถมาก ก็สามารถบรรลุได้ภายในเจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีแต่ก็ไม่มีที่ว่าไม่มีการบรรลุเลยมีแต่บรรลุเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นถ้ามีการปฏิบัติบูชากันถ้ามีการปฏิบัติตามคาสั่งคำสอนของพระพุทธของพระพุทธเจ้ากัน สมัยนี้นี่คือสิ่งที่เราขาดกันหรือลืมกันไปไม่ทราบเพราะจะมีแต่อามิสบูชากันเป็นหลักไม่ค่อยมีปฏิบัติบูบชากันน า, นานจะเอากันสักครั้งหนึ่งเช่นวันสาคัญเช่นวันวิสาขามาฆะวันอาสาหาบูชาก็จะไปวัดไปเวียนเทียนไปฟังเทศน์ฟังธรรม ไปนั่งสมาธิกันสักครั้งหนึ่งถ้าทำกันเพียงปีละสามวันนี้มันเป็นจำนวนน้อยมากไม่เข้าสู่หลักที่พทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าจะบรรลุภายในเจ็ดวันเจดเดือนและเจ็ดปีถ้าอยากจะบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้ต้องปฏิบัติทุกวันปฏิบัติ อ่าศีิลสมาธิปัญญาทุกวันและปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับนอนเท่านั้นส อ, สอนให้ภาวนาจเจริญสติสมาธิปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งแต่หกโมงเย็นไปถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติถ้าอยู่ในขั้นสติ จะเดิญสมาธิถ้าอยู่ในขั้นสมาธิจเจริญปัญญาถ้าอยู่ในขั้นปัญญาหรือสลับกันไปสมาธิกับปัญญานี้มักจะต้องสลับกันเดินเพราะว่าเป็นทำคู่กันเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาเวลาจะเดินนี้ต้องมีสองเท้าถึงจะเดินได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีเท้าใดเท้าห น, นึ่งนี้จะเดินไม่ได้เลยอจะต้องเอกระโดดไปกระโดดขาเดียวอถ้ากระโดดขาเดียวนี้มันก็จะเดินไม่ได้มากต้องมีสองสองเทา้าสองขาขาซ้ายขาขวาสลับกันเดินอสมาธิกับปัญญาก็สลับกันทำํทำทาสมาธิเพื่อทําใจให้สงบมีพลัง พอมีพลังก็ออกมาเจริญปัญญาปัญญาก็จะพาให้จิตใจก้าวหน้าขึ้นไปเพราะปัญญาจะเป็นผู้ทำลายข้าศึกศัตรูที่คอยขวางการเจริญก้าวหน้าของจิตใจนั่นเองแต่พอปัญญาทำงานได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะเหนื่อยก็ต้องหยุดพักเข้าไปในสมาธิเพื่อ เติมกำลังเติมพลังพอพักอยู่ในสมาธิได้กำลังเต็มที่ก็ออกมาต่อสู้กับข้าศึกศัตรูอีกรอบหนึ่งทำอย่างนี้สลับไปสลับมาจนกว่าข้าศึกศัตรูที่ขวางการเจริญของจิตใจขวางการบรรลุมรกผลนิพพานได้ถูกทำลายไปจนหมดซิ่งแล้วก็จะได้ ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วการทำงานของอสมาธิและปัญญาก็หมดไปไม่จำเป็นต้องทำงานอีกต่อไปเพราะไม่มีข้าศึกสัตร์ที่จะต้องทำลายแล้วได้ชัยชนะแล้วเหมือนกับทหารที่ได้ทำได้ชัยชนะในการทำสงครามแล้วก็ไม่ต้องทาสงครามอีกต่อไปเพราะ ข้าศึกศตรูนั้นได้ถูกทำลายไปหมดแล้วทหารก็กลับเข้ากรมเข้ากองพักผ่อนอยู่ตามปกติสติปัญญาหลังจากที่ได้พาจิตใจให้ไปสู่พระนิพพานาลแล้วสติปัญญาก็พักการทำงานไม่ต้องทำงานอีกต่อไปเพราะไม่มีงานให้ทำแล้วนี่คือการเจริญการปฏิบัติบูบชา บูชาปฏิบัติด้วยการปฏิบัติทาสามชนิดนี้คือสติสมาธิและปัญญาถ้ายังไม่มีสติต้องเจริญสติก่อนเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิก็มาเจริญปัญญาสลับกันไปถ้าเบื้องต้นสมาธิยังไม่ชำนาน เวลาออกจากสมาธิมาก็ยังไม่ต้องเจริญปัญญาเจริญสติต่อไปก่อนให้สตินี้เป็นสติที่ที่เข้มข้นที่ไม่เผลอแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการทำนานในสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาค่อยไปเจริญปัญญา ไปไปพิจารณาสภาวะธรรมต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นตามความอยากความการเห็นตามความอยากกับการเห็นตามความเป็นจริงนี้ไม่เหมือนกัน้ารเห็นตามความอยากจะเห็นกับตาลปัดเห็นตรงกันข้ามกับความจริงเห็นสิ่งที่ทุกว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็นไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นตัวเรานี่คือความเห็นของจิตที่มีความอยากมีความหลงครอบงำเยอะแต่เวลาทำสมาธิทำใจให้สงบความหลงความอยากจะถูกลดกำลังลงจะถูก ถูกนับถ้าเป็นนักมวยก็ถูกนับชกนับแปดยังไม่ตายแต่ก็ไม่มีกำ ล, ลังเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ถูกชกเนี่ยเจตที่มีสมาธินี้จะมีใจที่ใสที่ทำที่ทีท่ทีท่ได้กำจัดหรือทำให้โมหะความหลงความอยากนั้นสงบตัวลง แต่ไม่ตายพอก็จะทำให้ใจนิสัยที่จะสามารถมองความจริงตามความเป็นจริงได้มองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่ไมเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าไม่ใช่ของเราเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราว่าไม่ใช่ตัวเราได้ต้องมีสมาธิเป็นตัว ตัดทรนกำลังของความอยากของความหลงจึงจะสามารถออกเจริญปัญญาได้สามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้นี่คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงให้ทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันผู้ได้ปฏิบัติตามคำสอนของเราผู้นั้นเป็นผู้บูชาเราตถาคตเนี่เพราะ ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันเอต้องปฏิบัติตลอดเวลานับตั้งแต่หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนี้ก็จเจริญสติถ้าไม่มีสติก็จเจริญสติก่อนแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบก่อนก็จเจริญไปสติสมาธิสลับกันไปจนกว่า จะมีความชำนาญในการเข้าสมาธิต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้อย่างรวดเร็วง่ายดายนั่งปุ๊บห้านาทีก็เข้าแล้วไม่ใช่นั่งแล้วสู้กับการเผลอสติสู้กับความคิดปุุงแต่งต่างๆนั่งไปเกือบชั่วโมงก็ยังไม่ได้ความสงบถ้าอย่างนี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่มีสมาธิ ก็ต้องฝึกสติต้องเจริญสติให้มากๆไปก่อนกาหนดให้ใจรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง mm. เช่นอยู่กับคาบิกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหรือจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายก็ได้กำลังเดินก็ดูก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังยืนกำลังนั่งกำลังนอน กาลังทำอะไรต่างๆก็รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่ในตอนนั้นทาไปแล้วก็มานั่งสมาธิถ้าควบคุมความคิดได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่ที่กำลังของสติใหม่ๆก็ช้า แต่ต่อไปสติมีกำลังมากขึ้นก็จะสงบได้เร็วขึ้นและสงบได้นานขึ้นไปช่วสี่ชั่วโมงแรกหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ให้ปฏิบัติบูชาพอสี่ทุ่มถึงปีสองก็ให้พักผ่อนหลับนอนเวลานอนหลับก็ให้นอนในท่าสีหาสายานอนแต่แขงขวาเพราะจะนอนหลับแบบมีสติและจะตื่นไว พอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนเต็มที่แล้วก็จะตื่นขึ้นมาสติก็จะลุกขึ้นมาทันทีลุกขึ้นมาเพื่อมาเจริญสติต่อทันทีหรือมาเจริญสมาธิหรือปัญญาแล้วแต่ขั้นของการปฏิบัติจากตีสองถึงหกโมงเช้าก็เป็นการปฏิบัติ จนถึงเวลาหกโมงเช้าก็ออกไปโปรดสัตว์บินทบาทถ้าเป็นพระถ้าเป็นสัตยาญาิโยมก็เตรียมหาอาหารในช่วงที่ไปบินฑบาทหรือเตรียมหาอาหารก็ใช้สติจะเดินสติควบคู่กับการทำกิจกรรมได้แทนให้เศร้าดูงานที่กาลังทำอยู่การเตรียมอาหารหรือการเดินพิญญาบาท ก็ให้มีสติอยู่กับงานนั้นไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้จนกว่าจะสกิดนั้นแล้วก็รับประทานอาหารเสร็จทำความสะอาดภาชนะอะไรต่างๆทำความสะอาดสถานที่รับประทานอาหารเก็บกวาดให้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่พักของตนเพื่อที่จะไปปฏิบัติต่ตอ ไปเจริญสติต่อหรือไปนั่งสมาธิต่อหรือไปพิจารณาปัญญาต่อทำไปจนถึงเที่ยงถ้ามีความเหนื่อยเรืก้อ ง, ง, ง่วงนอนอาจจะพักสักหนึ่งชั่วโมงก็ได้พักในตอนเที่ยงประมาณหนึ่งชั่วโมงพอบ่ายโมงก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ ไปจนถึงเวลาบ่ายที่ต้องทำภารกิจการปัดกวาดสถานที่พักลานวัดอะไรต่างๆก็ทำกันไปเสร็จแล้วก็ไปเดื่มน้ำปานะกันถ้ามีน้ำปานะให้เดื่มคือน้ำผลไม้คั้นน้ำผลไม้นี่ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่ขนาดไม่เกินกำปั้นโดยประมาณคือขนาดของผลไม้ ที่ขนาดที่เป็นประมาณของผลไม้นั้นต้องไม่เกินขนาดของมือกำปั้นเช่นขนาดส้มนี้ถือว่าใช้ได้แตส้มโอนี้ถือว่าใหญ่เกินไปมาละกอสับประรดมะพร้าวนี่ใหญ่เกินกำปั้นไม่สามารถมาดื่มน้ำผลไม้ของผลไม้เหล่านี้ได้ต้องขนาดกำปั้นเป็น ส่วนที่ใหญ่แล้วแต่ส่วนที่เล็กลงมาก็ได้เช่นน้ำองุ่นน้ำแอปเปิ้ลอะไรต่างๆแต่ต้องไม่มีเนื้อไม่มีอะไรอยู่ในน้ำนั้นจะต้องกรองให้สะอาดให้มีแต่น้ำผลน้ำผ ล, ลไม้เพียงอย่างเดียวนี่คือน้ำปานะนะต้องเดิมภายในวันนั้นไม่เก็บข้ามคืนเพราะสมัยก่อน ถ้าเก็บข้ามคืนน้ำมันจะบวดน้ำมันจะบู ด, บดพอไม่มีที่เก็บเหมือนสมัยนี้สมัยนี้มีตู้เย็นสามารถแช่เก็บไว้ได้หลายวันแต่น้ำปานะในสมัยอดีตนั้นจะต้องดื่มภายในวันนั้นไม่เก็บไว้ข้ามคือนอย้าเวลาจะคันน้าผลไม้เขาจะคันพอประมาณพอให้ฉันได้ดื่มได้ภายในวันนั้นแล้ววันพ่ว่งนี้ค่อย ทันใหม่ทําใหม่นี่คือน้ำปานะที่ถวายพระกันสมัยนี้เขาก็ใส่กล่องใส่อะไรมาสามารถเก็บไว้ได้นานแต่เวลาถวายพระก็ต้องให้พระท่านอาบอกว่าจะให้ถวายกี่กล่องส่วนที่ท่านไม่ยังไม่ให้ถวายก็ให้วางไว้ก่อนเพราะถ้าท่านรับหมดท่านก็จะต้องอ เก็บไว้ไม่ได้ต้องฉันให้หมดในวันนั้นถ้าเป็นน้ำปานะเราจึงมีธรรมเนียมเวลาถวายของดื่มของฉันให้กับพระนี้ทางสายปฏิบัติท่านจะให้วางไว้ท่านจะไม่รับกับมือรับการรับกับมือนี้ถือว่าเป็นการรับประเคนของที่รับมานั้นจะต้องใช้ให้หมดภายในวันที่กำหนดไว้เช่นน้ำผลไม้น้าปานะนี้ต้อง ไม่เกินวันนี้เอพรุ่งนี้ฉันไม่ได้เก็บไว้ฉันพรุ่งนี้ไม่ได้เอส่วนของบางอย่างนี้เก็บไว้ฉันได้ไม่เกินเจ็ดวันเช่นน้ำตาลน้ำอ้อยอน้ำพึ่งเนยข้นเ น, นยใสอันน้ำมันอันนี้ท่านอนนุญาตให้เก็บไว้ได้รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้ถึงเจ็ดวันพอครบเจ็ดวันแล้วก็ต้องสละไปถ้ายังมีเหลืออยู่ ดังนั้นวิธีที่จะใช้ของเหล่านี้ให้หมดได้โดยที่ไม่ผิดพระวินัยก็ให้ญาติโยมเวลาเอาถวายของฉันนี่ให้มาวางไว้เฉยๆก็ถือว่าได้ถวายแล้วแต่เวลาพระจะฉันนี้ต้องให้เด็กให้ลูกศิษย์มาประเข้นอีกทีก่อนถึงจะฉันได้ถ้ายาฉันโดยที่ไปหยิบมาประเข้นนี้ก็ถือว่าผิดทําไม่ได้แต่สามารถ เก็บของเหล่านั้นไว้ได้นานไม่ไม่ผิดพระวินัยนี่คือเรื่องของการชา น, น้ำปานะบางวัดก็มีน้ำปานะให้ดืม่มบางวัดก็ไม่มีหรือบางเวลาถ้าเราไปบําเพ็ญอยู่ตามลำพังไปทุดงก็จะไม่มีน้ำปานะก็จะดื่มน้ำเปล่ากันไปเพียงอย่างเดียวก็ดีเพราะจะได้ไม่ต้องมาภาวะผวนกับเรื่องการดื่มน้าปานะ ไม่เดิมมันก็ไม่ตายหรอกขอให้มีน้ำเดิมก็แล้วกันน้านี่สำคัญส่วนน้ําปานะนี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้ามีก็เดิมไปพอประมาณอย่าเดิมไปเพื่อดับความหิวอย่าไปเดิมเพื่อแทนอาหารอันนี้ไม่ได้เป็นเจตนาให้เดิมพอที่จะประทงังเออความขาดน้าของร่างกาย แ้วขาดพลังงานบางอย่างเช่นน้ําตาลอะไรเป็นต้นก็เดื่มไปพอประมาณถ้าไม่มีเดื่มก็ไม่ต้องไปกงังวลไม่ตายดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งเดื่มจะได้เอาเวลาไปทํากิจอย่างอื่นไปอาบน้ําอาบท่าเพื่อที่จะได้อ่ปฏิบัติต่ตออาบน้ำอาบท่าซักผ้าซักผ่อนเสร็จแล้วก็ ออกเดินจงกงนั่งสมาธิต่อไปจนถึงเวลาสี่ทุ่มพักผ่อนหลับนอนนี่คือการปฏิบัติบูชาที่พระเจ้าต้องการให้ปฏิบัติถ้าอยากจะบรรลุธรรมภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีต้องทำแบบนี้ไม่ใช่ทำปีละสามวันวันมาฆาญ ห, หนึ่งวันวิสาขาห น, หนึ่ง วันอาสาหะบูชา ห, หนึ่งถ้าอย่างนี้เจ็ดกลับหรือเจ็ดน้อยกลับก็ไม่รู้ว่าจะบรรลุหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่พอเหมือนกับการกินข้าวกินข้าวปีละสามวันนี้จะเป็นอย่างไรร่างกายมันจะจะเจริญตกตโขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าเรากินข้าวเฉพาะวันมาคะวันวิสาขะวันอาสาหะบูชา เราก็จะตายไปก่อนนี่คือการปฏบิบัติบูชาที่ได้พูดไว้ว่าสมัยนี้ยุคนี้มีน้อยมากมีพุทธสาสนิกชนมากแต่มักจะบูชากันด้วยอาติสบูชากันร้อยทั้งร้อยนี่บูชาด้วยอาบิสบูชากันทั้งนั้นบูบูชาด้วยอิติสบูชาเป็น แต่บูชาด้วยการปฏิบัติบูชานี้บูชาไม่ค่อยเป็นกันเพราะหนึ่งไม่มใีใครชวนให้มาปฏิบัติกันมีแต่ชวนให้ไปอามิสบูชากันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติกันถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติทำระดับล่างระดับที่ไม่สามารถนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือระดับทานกับระดับศีลห้าเนี่ย อันนี้เราเรียกว่าเป็นทานระดับต้นหรือระดับล่างอา น, นิสงส์ของการทำบุญทำทานรักษาศีลก็จะทำให้เราไปสู่สุคติหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ไปเกิดในอบายแต่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่บุญที่ส่งเราไปสวรรค์นั้นหมดเราก็กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราปฏิบัติบูบชานี่ เราต้องปฏิบัติระดับศีลแปดขึ้นไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปปีกวเวกไปอยู่ตามลาพังปีกตัวออกจากกลุ่มจากคนจะมารวมกันก็เฉพาะเวลาที่ต้องทํากิจกรรมร่วมกันเช่นเวลารับประทานอาหารดื่มน้ําปานะหรือ ม, มาทําความสะอาดของของสถานที่เราก็ต้องมาร่วมกันแต่การมาร่วมก็ไม่มาร่วมแบบ อ่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติคือจะมีสติคอยจดจ่ออ ย, อยู่กับงานที่ทําจะไม่มาคุยกันจะไม่ส่งจิตออกนอกจะดึงจิตไว้ข้างในให้จิตเฝ้าดูพฤติการกระทําการทําความสะอาดหรือการกระทําอะไรต่างๆการดื่มน้ําปานะหรืออะไรก็จะมีสติอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นจะไม่คุยกัน นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่อต่ผลมันจะดีกว่าถ้าได้ปฏิบัติอยู่ตามลําพังอต่ถ้าต้องมาปฏิบัติร่วมกันก็อย่างน้อยก็ไม่ให้ขาดทุนไม่ให้ขาดสตินให้มีสติป ร, ระคับประคองใจไว้ไม่ใช่ปล่อยให้ใจคิด คุยกันคิดกันไปคุยกันไปฟุ้งสร้านกันไปพอกลับไปอยู่ที่พักที่จะภาวนาใจก็ฟุ้งกว่าจะทำให้ใจสงบได้ก็ยากก็เหนื่อยแต่ถ้าเราคอยควบคุมใจไม่ให้ฟุ้งในขณะที่เราไปทำกิจกรรมต่างๆพอถึงเวลาให้เรากลับไปที่พักไปที่ปฏิบัติของเราเราก็สามารถปฏิบัติต่อได้เลยนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เลย หรือเดินจงกรมควบคุมความคิดต่อไปได้เลยหรือจะพิจารณาทำพิจารณาทางปัญญาก็จะพิจารณาได้เลยพิจารณาร่างกายว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงอวัยวะต่างๆมีผมขนแลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดู ก, กเป็นต้น แล้วพอตายไปอวัยวะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นนมเป็นไฟไปก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้พิจารณาร่างกายนี้จะไปเป็นร่างกายได้อย่างไรเราผู้ดูร่างกายนี้จะไปเป็นร่างกายได้อย่างไรเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้พิจารณาความจริงของร่างกาย เราเป็นใจใจที่มาครอบครองร่างกายเวลาที่พ่อแม่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาเราก็มาครอบครองแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ให้ไปทำอะไรต่างๆเราก็ต้องอย่าไปหลงยึดติดกับร่างกายอย่าไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราเพราะว่าร่างกายนี้มันจะต้องแก่ต้องเจ็บปรต้องตายไปเวลามันตายไปมันก็กลายเป็นของดินน้ำลมไฟไป กลายเป็นดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้เป็นตัวรู้มันไม่ได้กลายเป็นตัวรู้ถ้ามันเป็นเรามันจะต้องกลายเป็นตัวรู้ผมขนแล้นฟันหนังนี้จะต้องกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่มันไม่กลายเป็นตัวรู้มันกลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปนี่ก็คือเรื่องของการพิจารณาทางปัญญา้าพิจารณาแล้วเหนื่อยหรือฟุ้งซ่านขึ้นมา คือทะเลถลายไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมาทำสมาธิทำใจให้สงบแสดงว่ากำลังหมดกำลังที่จะควบคุมความคิดให้คิดไปในทางปัญญามันหมดกำลังกาลังทองสติของโมหะอวิชชาที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงให้ไปคิดทางทางโลกทางราบยศสรรเสริญ ทางความสุขทางตาหูจมกูกเลิ้ยงกายคิดไปในทางโมหะคิดไปในทางทางอัตตาตัวตนว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราร่างกายคนนั้นเป็นพ่อของเราแม่ของเราร่างกายคนนั้นเป็นสามีของเราเป็นภรรยาของเราถ้าปล่อยให้ไปคิดอย่างนี้แสดงว่าหลงแล้วหลงกับสมมติสมมติ คำว่าพ่อว่าแม่นี้จ้ามีภรรยานี้เป็นป้ายที่เราไปปะไว้ที่ร่างกายของคนนั้นคนนี้เท่านั้นเองความจริงร่างกายของคนนั้นคนนี้เป็นดินน้ำหน่มไฟเราต้องมองความจริงของร่างกายอย่าไปมองสมมุติของร่างกายสมมุติก็คือป้ายที่แปะไว้ที่ร่างกายเหมือนกับเวลาเราไปประชุมสัมมนาที่ไหนเข า, ากจะมีชื่อให้ติดไว้ที่หน้าอก เวลาเจอกันเขาจะได้รู้ว่าร่างกายร่างนี้มีชื่อว่าอะไรแต่ชื่อนั้นไม่ได้เป็นตัวร่างกายตัวร่างกายนี้เป็นเด่นน้ำหลมไฟแต่เราไปหลงชื่อไปหลงใจที่มีชื่อนี้เขาสมมุติใจที่ใช้ร่างกายนี้ให้ทําอะไรต่างๆนี้ให้เป็นชื่อนั้นชื่อนี้เช่นใจของพ่อใจของแม่ที่ก็มี ก็จะมีป้ายปะไว้ที่ร่างกายของพ่อของแม่ว่านี่คือพ่อนี่คือแม่เวลาที่ร่างกายของพ่อของแม่ตายไปนั้นก็ตายแค่เพียงแต่ร่างกายใจคือพ่อใจใจของพ่อใจของแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อของแม่เราต้องรู้จักแยกแยะสมมุติกับสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสมมุติคือความจริงแท้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ ดินน้ำน ม, มไส้ร่างกายนี้คือดินน้ำน ม, มไฟไม่ว่าจะเป็นร่างกายของไข่ก็เป็นดินน้ำน ม, มไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่เหมือนกันใจมีแต่ละคนไม่เหมือนกันคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นสามีเป็นภรรยา ใจเหล่านี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเราต้องพิจารณาแยกกายแยกใจออกจากกันเพื่อเราจะได้ไม่หลงสมมุติเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดกับสมมุติไม่ยึดไม่ติดกับดินน้ํำนมไฟเพราะว่าเดี๋ยวร่างกายนี้มันจะต้องแยกสลายกันไปกลับไปสู่ดินน้ํำนมไฟเราก็จะได้ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ร้องห่มร้องไห้ ไม่ทุกข์ทรมานใจไม่หวาดกลัวไม่กังวลกับการล่มสลายของร่างกายของใครก็ตามของเราดีของคนที่เรารักก็ดีของพ่อของแม่ของพี่ของน้องก็เหมือนกันหมดเป็นบินน้าหมุมไฟจะต้องกลับคืนสู่ดินน้าหมุมไฟไปแต่ใจของพ่อของแม่ก็ไปตามบุญตามบาปต่อไปทำบุญไว้มากกว่าทาบาปก็ไปรับผลบุญก่อน ทำบาปมากกับบุญก็ไปรับผลบาปก่อนพอผลบุญผลบาปมันมีกําลังเท่ากันก็กลับมาได้ร่างกายอันใหม่ก่อนแล้วก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่ก่อนนี่ก็คือการไปการมาการเวียนว่ายตายเกิดของใจของพวกเราทั้งหลายไม่ว่าจะใจของพ่อของแม่เราของสามีของภรรยาเราหรือของลูกเรานึกของเราเองก็เป็นแบบนี้ จนกว่าเราได้จะจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วได้ปฏิบัติบูบชากันถ้าเราได้ปฏิบัติบูบชากันใจของเราก็จะหยุดไปมีร่างกายต่างๆกันใจก็จะไม่ต้องมาม า, มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันเพราะถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็จะจะมีความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไร ความแก่ความเจ็บความตายนี้มันเกิดจากการเกิดการมีร่างกายพอเกิดมาแล้วมีร่างกายก็ต้องแก่เจ็บตายแถ้ามีทำ ม, มีการปฏิบัติธรรมก็จะมีการหยุดเหตุที่ทําให้มาเกิดกันเหตุที่ทําให้มาเกิดกันก็คือตัณหาความอยากความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาบยศเสริญสุข ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นการไม่คือความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปนี่เองถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจก็จะต้องกลับมามีร่างกายถ้าอยากจะกาจัดความอยากเหล่านี้ก็ต้องปฏิบัติบูบชาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปตลอดเวลานับตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้ย่อมบรรลุผลได้ตามที่พระเจ้ทาทรงได้ อ, อพยากรณ์ไว้อย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือน อ, อมหาวิทยาลัยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่ทรงกําหนดหลักสูตรให้ผู้ศึกษามาศึกษามาปฏิบัติกันถ้านักศึกษามาปฏิบัติตามเวลาที่ทางมหาลัยได้กําหนดให้มาศึกษา ส่วนใหญ่ก็จะเรียนจบกันภายในสี่ปีอย่างแน่นอนฉันใดถ้าผู้ที่มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ก็สามารถที่จะจบหลักสูตรได้ภายในเจ็ดวันบ้างภายในเจ็ดเดือนบ้างภายในเจ็ดปีบ้างอย่างแน่นอน การไม่จบนี้ก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเธเองเหมือนกับนักศึกษาที่ไม่ไปโรงเรียนไม่ไปหาไม่เข้าห้องเรียนก็จะไม่สามารถจบตามหลักสูตรที่เขากำหนดได้เพราะเวลาสอบก็จะสอบตกกันสอบตกก็ต้องเรียนซ้ำชั้นกันใหม่เรียนซ้าวิชาใหม่แทนที่จะจบสี่ปีก็อาจจะไปจบห้าปีหกปีเจ็ดปี เช่นหมาวิทยาลัยที่เขาไม่บังคับให้เข้าห้องห้องเรียนกันให้เรียนตามอัธยาศัยกันเ อ, อก็จะไม่สามารถจบตามหลักสูตรที่มหาลัยได้กําหนดไว้ออก็จะไปจบห้าปีบ้างหกปีบ้างเจ็ดปีบ้างแล้วแต่บางคนก็ไม่จบเลยก็มีเออพราะไม่ได้ไม่ได้ศึกษาตามที่ตามหลักสูตรที่เขาได้กําหนดไว้นั่นเองอันใดผู้ปฏิบัติธรรมก็เช่นนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักสูตรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในกาหนดเวลาที่พระพุทธเจ้าได้ท่งกาหนดไว้คือเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครบถ้วนทุกประการก็จะบรรลุกันได้ภายในเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดปีบ้างอย่างแน่นอน เพราะมีผู้บรรลุกันมาแล้วเป็นจํานวนมากบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านบรรลุกันในพบนี้ชาตินี้เลยท่านไม่ได้รอให้ไปเกิดชาติหน้าแล้วค่อยบรรลุกันพอท่านได้รับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำเอาไปปฏิบัติอย่างขมักขม่นอย่างอย่างเต็มที่ความเพียรเต็มร้อยศรัทธาเต็มร้อยพอปฏิบัติเต็มร้อย ผลก็จะปรากฏขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแล่รวดเร็วผลนี้อยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัติเนี่ยสมัยนี้เหตุคือการปฏบิบัติบูชานี้มีน้อยมากส่วนใหญ่จะเอาแค่อมิตสบูชาหรือถ้าบูชาก็ขอบูชาในระดับโลกียะไปก่อนไม่ใช่ระดับโล ก, กุตตะระโลกียะก็คือระดับที่ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆ ระดับโลกุตละนี่เป็นระดับที่จะไม่กลับมาเกิดถ้าจะกลับมาเกิดก็ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าอยู่ในขั้นแรกของการบรรลุโลกิโลกุตระธร ร, รมก็คือขั้นโสดาบันถ้าบรรลุขั้นที่สองของโลกุตระธรรมธรรมก็คือพระสรกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าบรรลุขั้นที่สามของโลกุตระธรรมคือพระอน า, าคามี ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังต้องไปเกิดเป็นโรมอยู่และก็จะไปบรรลุไปถึงพระนิพพานได้ในในสวรรค์ชั้นผมต่อไปส่วนใหญ่จะไม่ปฏิบัติบูชากันส่วนใหญ่จะไม่ชอบถือศีลแปดกันไม่เข้าวัดกันไม่ไปปีกวิเวกันไม่ไปภาวนาไม่ไปเจริญศีลสมาธิปัญญากัน คนใหญ่ชอบทำบุญกันรักษาศีลข้าบ้างไม่รักษาศีลบ้างบางคนก็รักษาได้บางคนก็รักษาไม่ได้ถ้ารักษาไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไปทำบาปมากกว่าทำบุญแต่ถ้ายังทำบุญมากกว่าทำบาปอยู่การที่ไปเกิดอบายก็ก็รอไว้ก่อนโดนทาทโทษไว้ก่อน เวลาใดไปทําบาปมากกว่าบุญเวลานั้นก็จะต้องไปรับผลบาปทันทีแต่ถ้าทําบุญตลอดเวลารักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาไม่ทําบาปเลยตายไปกี่ครั้งก็จะไม่ไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสวรรค์แต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเป็นเป็นงาน ร, ระดับโลกิยะนางอภที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ยังน้อย ก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพที่ดีคือได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆเวลาตายไปและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีบารมีมีวาสนามีฐานะการเงินการทองที่ดีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอาการสามสิบสองมีสติปัญญามีอะไรต่างๆที่ดี เพราะอาศัยการทำบุญการรักษาศีลนี่แต่ถ้าไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลหรือทำบาปมากกว่าการทำบุญก็ต้องไปเกิดในอบายเวลาที่บาปมันมีมากกว่าบุญและเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมากับมาเกิดแบบเป็นคนอาอาภัพวาสนาไม่มีบุญไม่มีบารมีรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยงาม สติปัญญาก็ไม่ฉลาดอาการอาจจะไม่ครบสามสิบสองมีโรคภัยเบียดเบียนอายุสั้นยากจนอย่างนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปกันอย่างน้อยถ้าเราจะปฏิบัติบูชาในราดับนี้ก็ขอให้เรารักษาสีหนห้ากันไว้ให้ดีแล้วหมั่นทำบุญกันเป็นปกติอย่าง ชาวบ้านนี้เขามีโอกาสได้ทำบุญกันทุกวันเพราะจะมีพระมาบิณฑบาตชาวบ้านก็ได้ใส่บาตรทุกวันอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบุญแต่เรื่องศสีลนี้เขาก็ต้องรักษาถ้าเขาไม่รักษาบุญที่ทำจากการใส่บาตรบุญที่ทำจากการทำทานนี้ยังไม่สามารถยับยั้งให้ไปเกิดในบายได้ถ้าบาปนี้มันมีกำลังมากกว่าบุญ แต่ถ้าบุญยังมีกำลังมากกว่าก็ยังอ่ดึงไว้ก่อนได้คาดโทษไว้ก่อนอยังไม่ต้องไปใช้ผลบาปแต่ผลบาปยังมีอยู่รอเวลาที่บุญนี้มันมีกำลังน้อยกว่าบาปนะบุญมีกำลังน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่ไม่บาปก็จะเด้งไปให้เกิดในอบายทันทีไปเป็นเลระชานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนอสุลกายบ้างไปตกนรกบ้าง ดังนั้นขอให้พวกเราจงเห็นความสำคัญของการปฏิบัติบูบชากันจะบูชาระดับโลกิยะบูชาก็ได้หรือจะบูชาระดับโลกุตระบูชาได้ยิ่งดีใหญ่เพราะเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปเราจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายเราจะได้ไปรับความสุขของพระนิพพาน ที่เป็นความสุขเต็มร้อยเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เลยความสุขที่พวกเรามีกันอยู่ขณะนี้เป็นความสุขที่มีความสุขมีความทุกข์ตามมาเสมอสุขได้ไม่กี่วันเดี๋ยวความทุกข์มาอีแล้วพอไปหาความสุขใหม่มาเดี๋ยวความทุกข์ใหม่ก็ตามมาอีกแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำระดับโลกุตระรมกันก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนี่คือเรื่องของการปฏิบัติบูชาที่จะทําให้เราได้มีความสุขและมีความเจริญและได้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาอะไรจากพวกเรา ที่ทรงปรารถนาให้พวกเราปฏิบัติบูชาก็เพราะว่าพวกเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองได้รมรรคผลนิพพานกันนี่คือเป้าหมายของการถ้อยแผ่พ ร, พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราพระพุทธเจ้ามีมีอะไรมากกว่าที่พวกเราจะมอบให้กับพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ามีมรรคผลผนิพพาน พวกเราไม่มีมรกผลนิพพานเราไม่สามารถมอบอะไรให้กับพระพุทธเจ้าได้ดีเท่ากับมรรคผลนิพพานเ่ยถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าเราก็ต้องปฏบิบัติบูชาเพื่อให้เราได้มรรคผลนิพพานกันเพื่อเราจะได้ไปโชว์ไปอวดให้พระพุทธเจ้าดูว่านี่ข้าพเจ้าได้มาแล้วมรรคผลนิพพานเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงรับเนี่ยพอพระองค์ทรงเห็นเราได้มรรคผลนิพพานพระองค์ก็จะมีความ ปิติมีความชื่นชมยินดีมีความสุขจากการที่เห็นว่าการเผยแผ่สั่งสอนของพระองค์นี้ไม่สูญเปล่าได้รับประโยชน์อย่างวันมาคาปูชาที่มีพ้าอารันตสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการมายืนยันให้พระพเจ้าได้เห็นว่าพวกข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแล้ว แล้วได้รับมากคผลนี่ผ่านตามที่พระ อ, องค์ทรงปาถนาแล้วเหมือนกับลูกๆที่เรียนจบปริญญาแล้วก็เอาเปริญญาไปให้พ่อแม่ดูพ่อแม่เห็นก็น้ำตาไหลดีใจมีความสุขรู้ว่าลูกนี้ต่อไปจะสบายแล้วเป็นคนฉลาดแล้วเป็นบัณฑิตแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วพ่อแม่ไม่ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องมาคอยดูแลเลี้ยงดูอีกต่อไปแล้ว พอลูกสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วเป็นที่พึ่งของตัวเองได้แล้วพ่อแม่ก็จะนอนตาหลับจะจะตายอย่างตะนอนตาหลับตายจะไม่กังวลไม่ห่วงใยลูกๆอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติบูชาที่เราอาจจะมองข้ามกันไปหรือไม่รู้ว่ามีกันมัวแต่อามิตบูชากันอามิสบูชาก็ทาต่อไปไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่มีไม่มีโอกาสจะใช้อวิสบูชาใช้ปฏบิบัติบูชาเพียงอย่างเดียวก็ได้แต่เวลานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี้ไม่ต้องจุดธูปเทียนไม่ต้องมีดอกมองคลดอกไม้มากราบสักการะบูชาพระพุทธรูปสามารถปฏิบัติบูบบชาได้เลยเพราะเป็นการบูชาที่ดีกว่าการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนนั่นเองอนี่คือเรื่องของความเป็นมงคลแก่ชีวิต ที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้ในมงคลลสตรว่าอ บ, บูชาจะปูชนิยานังเอตมังกลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สงควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งพวกเราก็จะมีความมงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจในระดับมรรคผลมิพานถ้าพวกเราน้อมกันมาปฏิบัติบูชากัน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 งดการถามตอบมักจะชอบมาถามตอนที่เลิกประชุมกันตอนที่ประชุมตอนที่ให้ถามมักจะไม่ชอบถามกันพอไม่ไม่ตอบก็เลยเสียใจแทนถ้าไม่อยากจะเสียใจก็ขอให้ถามตอนนี้กันเพราะถ้าเราเลิกประชุมแล้วก็เลิกจริงๆถ้ายังไม่มีใครก็เอาคำถามจากทางบ้านมาถามก่อน คำถามจากทางบ้านจากคุณเตตา้าผมเคยมีทุกจากเสียงรถเจาะพื้นคอนกรีตเลยนั่งสมาธิพิจารณาเสียงทำไมถึงทุกจากพักจิ่ผุดขึ้นมาว่าทำไมเสียงเพลงดังๆถึงไม่ทุกผมตอบกลับไปว่าเสียงเพลงนั้นชอบเลยไม่ทุกเลยเห็นว่าทุกสุกไม่มีตัวตนมีแต่ชอบกับไม่ชอบชอบปรุงเป็นสุขไม่ชอบปรุงเป็นทุก เลยพิจารณาต่อว่าชอบกับไม่ชอบเกิดจากอะไรพิจารณาอีกสักพักเห็นตัวอยากเกิดขึ้นว่าอยากแล้วได้ตามที่อยากจะปรุงเป็นชอบชอบปรุงเป็นสุขได้ไม่โตไม่ตรงตามที่อยากหรือไม่ได้ตามที่อยากจะปรุงเป็นไม่ชอบไม่ชอบปรุงเป็นทุกจากนั้นคนลุกขนพองตัวเบาตัวเย็นคำถามข้อที่หนึ่งเกิดสมาธิจากการพิจารณาครั้งนั้น ทรงตัวอยู่สองวันครึ่งเรียกว่าปฐมฌานไหมครับเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิะะจะเป็นฌานขั้นไหนก็ไม่ต้องไปสำคัญให้รู้เหตุดีกว่าให้รู้ว่าทำอย่างไรทำให้มันสงบอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำต่อไปเวลาต่อไปมีความทุกข์มีความไม่สงบก็ ใช้วิธีพิจารณาแบบนี้ไปต่อก็เรียกว่าเชื่อจะทำให้ใจสงบได้ถามไปก่อนไหมถามไปสั็จคำถามข้อที่สองอยากเกิดจากความคิดหรือเป็นของดั้ดงเดิมของจิตครับอยากมันเกิดจากความหลงความหลงที่ไปเห็นสิ่งที่ชอบว่าเป็นสุขไปเห็นสิ่งที่ไม่ชอบว่าเป็นทุกข์ ยังต้องใช้ปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ไม่เห็นมันก็อันเดียวกันเช่นเสียงมันก็เสียงอันเดียวกันเนื่องแต่เราไปชอบเสียงที่ชอบก็เกิดความอยากอพอได้สิ่งที่เราชอบเราก็สุขพอเราได้เสียงที่เราไม่ชอบเราอยากให้มันหายไปมันไม่หายมันก็ทุกข์เอี่ยคถามจากคุณมาไม่มีบา ร, รมีไม่เกิด จิตเราจดจ่ออยู่แต่กับอาสุภะจะมีผลอะไรไหมครับก็จะทำให้เราดับการอารมณ์มต่างๆได้จะไม่มีความกำหนัดยินดีในรูปร่างหน้าตาของเพศตรงกันข้ามหรือเพศอันเดียวกันถ้าเป็นคนที่ชอบเพศอันเดียวกันคำถามจากคุณกอบแก้ว ที่บ้านมีบ่อน้ำคางคกมาวางไข่เต็มไปหมดอยากล้างทำความสะอาดกลัวเขามาแพร่พันเต็มบ้านแต่กลัวบาปควรทำอย่างไรคะก็จะไปปล่อยที่อื่นแล้วก็กาจัดบ่อน้ำนั้นเสียไปก็จะไม่มีอะไรมาเกิดอีกกับนาสถานหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมะในสวน ลูกขอความเมตตาข้อหนึ่งในเวลานั่งสมาธิลูกรู้สึกเจ็บเข่าหรือมีอาการเจ็บอื่นๆลูกควรแก้ไขอย่างไรหรือควรขยับได้ไหมเจ้าคะถ้าขยับก็เป็นเหมือนกับเลิกแล้วเริ่มใหม่ถ้าเราไม่ต้องการจะเลิกแล้วเริ่มใหม่เราก็ต้องนั่งต่อไปแล้วปล่อยให้มันเจ็บไปอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บ ที่มันทรมานเพราะเราอยากให้มันหายเจ็บวิธีที่จะทําให้เราไม่หายเจ็บก็คือเราต้องสวดมนต์ไปหรือพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเหมือนกับเวลาที่เรากลัวผีอย่าไปคิดถึงผีให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวเราลืมเรื่องผีเรื่องความเจ็บแล้วความทรมานความทุกข์ใจความกลัวผีความกลัวเจ็บก็จะหายไป แล้วเราก็จะนั่งกับนั่งอยู่กับความเจ็บได้อย่างไม่เดือดร้อนงนั้นถ้าเราอยากจะผ่านข้อสอบอันนี้ไปเราต้องไม่ขยับแต่เราต้องใช้พุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปส่วนมนต์ไปดึงใจไว้ให้อยู่กับส่วนมนต์อยู่กับพุทโธอย่าไปคิดถึงความเจ็บเรียว่าความอยากหายเจ็บมันหยุดทำงานเราก็จะไม่รู้สึกทรมานใจเราก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบาย ข้อสองเวลาเราสวดมนต์สวดผิดหรือสวดมัว่วจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปเราเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ดีมันก็จะทําให้เราเอาไม่ได้ประโยชน์การสวดมนต์ให้ถูกนี้เพื่อที่เราจะได้อหนึ่งรักษาอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนไป แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายความหมายของการสวดมันก็จะ ไ, ไม่ผิดเพี้ยนไปคาคำหมายของคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราสวดแบบผิดเพี้ยนไปความหมายของคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเพี้ยนจะผิดไปข้อสามลูกปฏิบัติได้สักระยะหนึ่งมีความสงบในใจมากขึ้น มีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อแต่พอกลับไปอยู่ในแวดวงสังคมเพื่อนร่วมงานปลับปองเราว่าทําตัวแปลกๆเช่นเขาชวนเรากินข้าวเย็นแต่เราไม่กินเขาก็บอกว่าเราแปลกลูกควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็ปล่อยเขาพูดไปแล้วอย่าไปสนใจในคําพูดของเขาให้เราสนใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่า คำสอนของคนอื่นเราอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวใครมาสั่งมาสอนมาบอกให้เราทำขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็อย่าไปฟังอย่าไปทำตามหมดแล้วตัวค่ะครับต่อไปคาถามจากเฟรดบุกร้ายนะครับคาถามจะคุณเพนจันนะครับ ครูบาอาจารย์สอนว่าให้มีสติรู้เท่าทันในวงเล็บอุ ป, ปาทานหยุดมันเสียมันก็จะนิ่งสนิทยอย่างเดิมเป็นอารมณ์เดียวข้อที่หนึ่งรู้เท่าทันคืออย่างไรคะคือรู้เท่าทันนี่ไม่ใช่รู้ด้วยสติต้องรู้ด้วยปัญญาคือรู้ว่าตอนนี้เรากำลังไปยึดไปติดอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์หรือเปล่า เช่นไปยึดติดกับสุรายราเมาหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเรากำลังยึดติดอยู่กับสุรายาเมาเราก็ต้องถอนออกมาเราก็ต้องไม่ไปติดมันเราก็ต้องไม่ไปไปดื่มมันถ้าเรายังดื่มมันอยู่ก็แสดงว่าเรายังรู้ไม่ทันทุกครั้งที่เวลามันอยากจะดื่มสุราเราต้องรู้ว่าเรากำลังติดสุราอยู่เราก็ต้องหยุดมัน พอเราหยุดมันแล้วต่อไปความอยากที่จะให้เราดื่มโซลามันก็จะหมดไปเราก็จะไม่ติดมันข้อที่สองข้อที่สองอารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไรเจ้าคะอารมณ์เดียวก็คือสักแต่ว่ารู้ให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้รู้ให้รู้ว่าเขามาแล้วไปเขาเกิดแล้วดับคือให้รู้เฉยๆเขาเป็นยังไงก็รู้เขาอย่างนั้นไป เขาด่าเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเขาชมเราก็ให้รู้ว่าเขาชมเราแต่เราไม่อยากไปมีปฏิกิริยากับคาชมคำด่าของเขาให้รู้เฉยๆคําถามจากคุณประกอบนะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์ต่างๆแล้วเราขายเขาไปเพื่อให้เขาไปถูกฆ่านั้นเราจะมีบาปไหมครับเพราะเราก็รู้อยู่ว่าส่งเขาไปถูกฆ่าตายแน่ๆ อ๋อเราไม่บาปแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ควรทําเพราะเราเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการฆ่ากันเออาชีพที่มีการสนับสนุนให้มีการฆ่าฟันกันนี่ทําลายล้างกันนี่ไม่ควรจะทำแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทําเองและไม่ได้สั่งให้เขาทํานี่เรายังไม่บาปคําถามจะคุณสุวรรณ ชวีนะครับน้ำอัดดมน้ำชาใส่น้ำตาลที่ขายในท้องตลาดถือเป็นน้ำปานะใหม่เจ้าคะถ้าถวายแล้วอยู่ได้กี่วันน้ำถ้ามีน้ำตาลผสมอยู่นี่ก็อยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันถ้าไม่ได้เป็นน้ำผลไม้เช่นน้ำชากาแฟแล้วใส่น้ำตาลเข้าไปเราจะดูน้ำว่ามีส่วนไหนที่เป็นอายุสั้นที่สุดเนี่ย ในถ้าเป็นน้ำชาเฉยๆไม่มีน้ำตา่นี้น้ำชานี่เก็บไว้ดื่มได้ตลอดเวลาถือว่าเป็นยาแต่ถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปก็จะดื่มได้เพียงเจ็วันเก็บไว้ได้เก็บไว้ดื่มได้เพียงเจ็ดวันถ้าเป็นน้ำผลไม้คั้นสดนี่ก็จะถือว่าต้องภายในวันนั้นข้ามคืนไม่ได้เพราะมันจะเสียสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นตามกดเดิมแต่สมัยนี้เราอาจจะอนุโลมตาม ความเจริญก็ได้เช่นเหนือนี้น้ําผลไม้ใส่กล่องมารับประเคนไว้ก็อาจจะถือว่าเป็นเหมือนน้ําน้ําชาที่มีน้ําตาลก็ได้โดยจะถือว่าเป็นน้ําปานะก็แล้วแต่ผู้ที่จะอะ่ผู้ที่ใช้คือพระจะพิจารณาเอาถ้าพิจารณาว่าเป็นน้ําปานะอยู่ก็เก็บข้ามคืนไม่ได้ก็ต้องประเคนน้อยๆประเคนเฉพาะที่จะฉันในวันนั้นแต่ถ้าจะ ถ้าจะเอาง่ายหน่อยก็ถือว่าเป็นน้ําเหมือนน้ําชาที่มีน้ําตาลน้ํากาแฟาเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลเช่นน้าส้มอะไรพวกนี้ที่เป็นเครื่องดืม่มอัดลมนี่มันก็ไม่ได้เป็นาน้ําผลไม้เป็นเพียงแต่น้ําที่ต่งด้วยกลิ่นและสีของผลไม้ใช่ไหมแต่ น, น้ําส้มที่ใส่ในขวดอัดลมนี่มันไม่ได้เป็นาน้ําส้มผลไม้นมม ille, ้ําผลไม้ใชมันเป็นเพียงแต่มีกลิ่นมีสีสังเคราะห์ที่ทําให้เป็นเหมือน เราจะว่ามันเป็นอย่างนั้นก็ได้จะถือว่าไม่เป็ น, น, นหน้ำบัดลมก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันถ้าถือว่าเป็นน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆก็แค่วันเดียวก็ต้องพิจารณาเอาเองก็แล้วกันคําถามคุณกาลานะครับเวลาทําสมาธิหรือฝึกสติได้สัต์พักสมองมักจะแวะไปคิดเรื่องต่างๆควรทําอย่างไรดีครับก็ดึงกลับมาสิถ้ามัน มันมันไปเราก็ต้องนึ่งกลับมาทำสมาธิก่อนก็ได้พุโทโธพุโทโธไปให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบแล้วมันก็จะนิ่งมันยันจะไม่ไปไหนอออก็จากความสงบมาก็สามารถเอาไปคิดทางปัญญาต่อได้คำถามจะคุณาลาฟนะครับเคยนั่งแล้วพบความสงบโดยผ่านทั้งปิติสุขอ่ เข้ามาเอกอัคตอตาแ ต, อแต่ปัจจุบันไม่เข้าสงบลึกแบบต้นแล้วแค่นาทีสองนาทีก็ออกแล้วและไม่ผ่านปิติสุขเลยเป็นมาเจ็ดปีแล้วขอพระอาจารย์ช่วยแก้ให้ด้วยครับก็อยู่ที่สติเนี่ยสติเรามันกำลังอ่อนมันก็เลยเข้าไปไม่ได้นานเรื่องส่วนจะเรื่องผ่านปิติสุขหรือไม่นี้ไม่สำคัญบางทีมันผ่านไปอย่างเร็วก็ได้ มันปุ๊บเข้าไปถึงอุเบกขาเลยก็ได้บางทีมันก็เข้าไปช้าๆผ่านปิติก่อนผ่านสุขก่อนอันนี้ก็แล้วแต่มันไม่สำคัญข้อสำคัญขอให้เราไปถึงขั้นสุดท้ายคือขั้นขันอุเบกขาก็แล้วกันคำถามจะคุณเพลินนะครับนั่งสมาธิได้สักระยะหนึ่งอาการเหมือนมูปปับแก้อย่างไรครับ ก็ต้องลุกขึ้นมาเดินหรือถ้าเรากินอาหารมากไปก็ต้องลดการกินอาหารเช่นอย่าไปกินอาหารเย็นกินวันละมือ้ออย่างนี้ก็จะช่วยทำให้การห่วงเหงาห่าวนอนนี้น้อยลงไปได้ถ้ายังห่วงอยู่ก็จะต้องอดเลยก็ได้หรือถ้าอดอาหารไม่ได้พอนอาหารไม่ได้ก็ไปนั่งที่มันน่ากลัวดูไปนั่งที่ป่าช้าดูไปนั่งตามเมนที่วัด สุสานที่เผาศพที่น่าที่น่ากลัวดูก็เวลาไปนั่งที่น่ากลัวมันจะมันจะไม่หลับให้นอนก็ยังนอนไม่หลับเลยคำถามสากคุณอัญชลีนะครับเราทําบุญหาพ่อแม่เราจำเป็นต้องไปทําที่วัดที่เอากระดูกพ่อแม่ไปไว้หรือเปล่าคะไม่จำเป็นทําที่ไหนก็ได้พ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่วัดนั้นแล้วพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่กระดูก พ่อแม่ก็อยู่ในโลกทิพย์ถ้าพ่อแม่ต้องการอะไรจากเราพ่อแม่เขาก็มาหาเราเลยไม่ต้องไปเขาไม่ไปอยู่รออยู่เราที่กระดูกเขามาเข้าฝันเราก็ได้ถ้าเขาต้องการอะไรเวลาเรานอนหลับนี่เขาก็จะเข้ามาบอกเราว่าโอ้หิวเหลือเกินลูกไม่มีอะไรกินเลยถ้าเราฝันเห็นพ่อแม่มาบอกหิวตอนเช้าก็ไปรีบใส่บาตรใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญไป คำถามจากคุณจิตนภานะครับหนูไปรักษาศีลอุโบสถพระอาจารย์ที่วัดให้สีลตอนเจ็ดมงเช้าจะได้ศีลเต็มไหมคะก็อยู่ที่เรารักษานานเท่าไหร่ไงถ้ารักษาชั่วโมงหนึ่งก็ได้ศีลเต็มแค่ชั่วโมงเดียวถ้าเข้าให้เจ็ดมงเราอยากจะได้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ต้องรักษามาถึงเจ็ดมงเช้าพรุ่งนี้ ก็จะได้เต็มถ้ารักษาถึงแค่ตีห้าของวันนุ้งขึ้นก็ยังไม่ได้เต็มอยู่ที่เวลาที่เรารักษาคำถามจากคุณพิมพ์รักษ์นะครับเป็นคนที่ทำสมาธิได้เกิดทุกเวลาไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนนั่งแล้วนอนแล้วสามารถรู้ว่ากายกับจิตมันแยกกันมันไม่ใช่สิ่งเดียวทุกๆสิ่ง ช้าลงหนูเข้าใจถูกไหมคะและควรทำอย่างไรดีอ๋อยังไม่ใช่เป็นสมาธิหรอกยังเป็นเพียงสติท่านถ้าเป็นสมาธินี่มันต้องนั่งเฉยเฉยจิตรวมลงแล้วก็บางทีร่างกายก็หายไปเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิสักแต่ว่ารู้ไม่มีความคิดปรุงแต่งหรือแต่จิตล้วนๆวนไม่มีร่างกายแต่ถ้าอยู่ในท่าอื่นนิ้ว การที่จะบอกจิตรวมเป็นสมาธินี่มันเป็นไปไม่ได้หรือเป็นยากถ้าต้องการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนต้องอยู่ในระดับชั้นอะไรครับท็อปอถามครับอ้าววัายาเนี่เขาให้อยู่ตั้งแต่ระดับหมหนึ่งเพราะถ้าเล็กกว่านั้นจะดูแลลำบากดูแลตัวเองก็ยากแล้วก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่นี่เขาไม่มีพี่เลี้ยงกัน ต้องให้พึ่งตัวเองแล้วก็ต้องฉันในบาทฉันมือเดียวต้องออกบินทบาทถ้าเป็นเด็กและเก็กน้อยมันก็จะทรมานก็จนเกินไปยังทางวัดก็จะแนะนําให้คนที่อยากจะบวชสมัมเนรภากฤดูร้อนนี้ให้อยู่ในระดับชั้นมหนึ่งขึ้นไปปีนี้ก็จะมีกําหนดวันบวชในวันที่สิบห้ามีนาคมนี้ถ้าใครสนใจอยากจะบวชก็ติดต่อกับโรงเรียนผู้รู้ยศสสได้เป็นเจ้าภาพจัด งานบวนนี่หรือติดต่อกับทางวัดยานก็ได้ติดต่อที่กุฏิเบอร์สี่ย่ามีพระรับเรื่องคำถามจากคุณยาลิถานะครับหากเราไปนั่งสมาธิในที่น่ากลัวแล้วได้ยินเสียงหัวเราะน่ากลัวมากเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปคะ เ, เราก็นั่งสมาธิของเราไปสิอย่าไปสนใจอย่าส่งใจไปหาสิ่งที่น่ากลัว เพราะมันจะทำให้เรากลัวถ้าเราอยู่กับพุทโธอยู่กับการภาวนาไปเราก็จะไม่กลัวใจเราก็จะสงบแล้วก็จะไม่ง่วงนอนด้วยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับขณะที่ภาวนาพองยุบที่ท้อง เมื่อเผลอไปคิดแล้วรู้สึกตัวจะดึงจิตกลับมาแล้วลึกถึงร่างกายแบบจิตไม่ตึงไม่เครียดไม่อึดอัดรู้แบบสบายๆไม่ได้กลับไปรู้พองยุบอีกรู้แค่ร่างกายนั่งอยู่หายใจอยู่รู้แบบนี้ได้ไหมครับบางครั้งพยายามดึงกลับไปภาวนาพองยุบที่ท้องแล้วเกิดความอึดอัดถ้าอึดอัดก็อย่าไปทำถ้ามันสบายมันเบาก็ทาแบบที่มันบบาว่ามันสบาย ให้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปรู้ว่าอยู่ที่ตรงจุดไหนดูแล้วใจเบาใจสงบใจสบายก็ใช้ได้คําถามจตยมต้อยนะครับเวลาที่ภาวนาพุทโธอยู่อย่างรู้ตัวตลอดเมื่อวูบลงไปแล้วจิตมันดีดกลับขึ้นมาทันทีภาวนาต่อก็วูบแล้วดีดกลับอีกวนเวียนอยู่สี่ห้าครั้งเหมือนไม้ตีหนังหน้ากอง ที่เหวี่ยงลงไปแรงๆแล้วก็เด้งขึ้นมาโยมเกิดความสงสัยค้นคิดหาสาเหตุจนหลุดจากการภาวนานึกไปว่าเป็นเพราะเวลาวูบมันหวาดเสียวน่ากลัวจึงล้างไว้ไม่ให้ดิ่งลงไปลึกๆหรือเป็นเพราะตั้งใจภาวนาเกาะติดกับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแม้วูบลงแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยคำบริกรรม โยมควรภาวนาต่อไปแบบสู้ไม่ถอยจนครบกำหนดเวลาหกชั่วโมงหรือควรปรับเปลี่ยนอารมณ์ภาวนาอย่างไรบ้างคะความจริงถ้าเราบริกรรมพุทธโธไป้วมันรูบพุทธโธมันก็จะหยุดไปเองโดยอัตโนมัติถ้ามันยังไม่หยุดก็สแสดงว่ามันยังวูบไม่จริงมันรูบแบบหลับหรือเปล่ารูบแบบสับประงก็เปล่า มันมีวูบสองรูปวูบแบบสับ ป, ปะงกกับวูบแบบสมาธิถ้าวูบแบบสมาธิแล้วมันจะนิ่งจะเย็นจะสบายมันจะหยุดพุดโทโธมันจะหยุดนะแต่ถ้าวูบแบบหลับมันก็จะดึงกลับมาตื่นใหม่แล้วก็พุโทโธต่อไปใหม่เิงถ้ายัางไม่วูบแบบนิ่งสงบพุโทโธหยุดไปเองก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดพุดโทโธ ไม่ใช่เป็นเหตุพุโทโธที่ทําให้เราไม่ไม่ไม่วุ่ไม่สงบเป็นเหตุที่ว่าเราไม่พุโทโธหรือว่าพุโทโธแล้วมันยังไม่มีกําลังพอหรือว่าเราพุโทโธไปแล้วเราเผลอหลับไปมันก็วุ่ทันทีศัพ์ปองบวุ่แบบสัพท์ปองก์ว่าแบบคำถามจากคุณเรนนี่นะครับหนูอยากออกปฏิบัติมากๆค่ะแต่ติดที่ยังมีลูกสาวสองคนยังเล็ก ต้องเรียนหนังสืออยู่จะปล่อยให้แฟนก็ห่วงหนูจะทำอย่างไรดีคะก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนปฏิบัติเวลาลูกไปโรงเรียนเราอยู่ที่บ้านเราก็ปฏิบัติของเราไปได้ทำไปทำในสิ่งที่เราทาได้ไปก่อนรอจนกว่าภาระหน้าที่ของการเลี้ยงดูลูกหมดไปแล้วเราค่อยออกไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ต่อไปคำถามสกุลกาลานะครับ การทำบุญใส่บาตรกับการโอนเงินไปร่วมที่เขารับบริจาคต่างๆถ้าจะอุทิศบุญกุศลให้ญาติที่ร่วมรับไปแล้วจะได้ผลต่างกันไหมครับไม่ต่างหรอกถ้าจำนวนเงินเท่ากันมันก็ได้ผลเท่ากันคําถามสคุณพัชระกสิทธ์นะครับเวลานั่งสมาธิในป่ารู้สึกว่ารวมสมาธิได้ลึกแล้วไม่รู้สึกตัวรู้สึกแตกจิตแต่เวลามีอะไรตกลงมาแล้วที่หลังคา มาครั้งหนึ่งดังมากสะดุ้งตกใจมากจิตนั้นยังทำงานอยู่หรือเปล่าครับถ้าสะดุง้งจิดก็ยังรับรู้อยู่ก็ไม่เป็นปัญาเมื่อสะดุ้งแล้วมันกลับมาเป็นปกติทันทีก็ไม่มีปัญหาอะไรออ่ถ้าสะดุ้งแล้วเกิดอาการฟุ้งขึ้นมาอาการกลัวขึ้นมาจะทั้งไม่สงบนี่ก็ต้องทำให้มันสงบใหม่อย่าปล่อยให้มันสะดุง้งอย่าให้มันตื่นอย่าปล่อยให้มันตื่นเต้น พอมันเตือนเต้นแล้วก็ต้องใช้พุโทโธพุธโทโธหยุดมันไปคำสาบหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหมถามได้นะตอนนี้ขึ้นมามีไมโครโฟนอยู่นี่ขออภัยครับอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบูชาครับสมมุติถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมแบบ ระหว่างนั้นฟุ้งบ้างรู้ตัวบ้างฟุงบ้างรู้ตัวบ้างเนี่ยยังถือว่าเป็นปฏิบัติปูชาอยู่ไหมครับเพป็นแต่ไม่ได้เต็มที่ไงเหมือนกับเรียนหนังสืออาจจะไม่ได้สี่จุดอาจจะได้แค่สองจุดแต่ถ้าเรายพยายามทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็ล้มลุกคลุกขานไปก่อนต่อไปก็จะไม่เผลอจะมีส ต, ติต่อเนื่องแล้วก็จะสงบได้อย่างต่อเนื่อง ใหม่ๆก็ล่มยุคคุกคกามไปก่อนนะได้โยมต้อยที่ดิ่งรู้สึกดิ่งสี่ห้าครั้งเมื่อกี้ครับพระอาจารย์ถามมาต่อว่าไม่ได้สับสงบรู้ตัวตื่นอยู่ตลอดรู้ตัวตื่นตลอดก็พุโทโธไปตลอดเลถ้ามันยังไม่นิ่งไม่สงบก็พุโทโธไปถ้ามันนิ่งมันสงบแล้วมันจะหยุดไปเองอจากคุณดารารัตน์นะครับ มีงานประจำที่ต้องทำแล้วอยากปฏิบัติด้วยควรทำอย่างไรดีคะก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอาจาเอาสองอย่างพร้อมกันได้ที่ไหนจาเอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นพร้อมกันมันก็ไม่ได้น้ำร้อนก็ไม่ได้น้ำเย็นก็ไม่ได้ถ้ามาผสมกันมันก็จะได้น้ำอุ่นแทนเหมือนจาเอากาแฟเรืยกว่าน้ำชามันใส่ไม่ทั่วเดียวกันนะถ้าใส่ปนกันมันก็ มีทั้งชามีทั้งชาทั้งกาแฟถ้าอยากจะเกาแฟก็ต wow no. ้องไม่ใส่น้ําชาลงไปถ้าอยากจะได้น้ําชาก็อย่าใส่กาแฟลงไปเรามันมักจะโลภกันอยากจะได้ทั้งสองอย่างอยากจะได้ทั้งทางโลกอยากจะได้ทั้งทางธรรมมันก็เลยไม่ได้เลยสักอย่างแบบโบราณเขาว่าจับปลาสองมือปลาตัวนี้ก็อยากจะได้ปลาตัวนั้นก็อยากจะได้ก็จับมันอย่างละมือมันก็เลยดุดมือไป ถ้าจับตัวเดียวด้วยสองมือมันก็อยู่ได้คำถามจากคุณหมูนะครับเวลาลูกนั่งสมาธิแต่พื้นที่ที่ลูกนั่งสมาธิเป็นศาลาซึ่งมีบางท่านพูดคุยเสียงดังข้ามหัวลูกไปมาลูกเกิดความไม่พอใจลูกจึงพยายามพุทธโธเพื่อความไม่พอใจหายไปเพื่อไม่ให้ไปสนใจในเสียงของลูกเขา ของเขาที่ลูกได้ยินลูกควรวางใจอย่างไรดีคะก็เวลาเกิดความโกรธก็ให้แผ่เมตตาเนี่ยตอนเนี้ยควรจะแผ่เมตตาไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่นั่งอยู่คนเดียวยังไม่มีความโกรธมันก็จะไปแผ่ทําไมเวลาโกรธเนี่ยเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เขาทาให้เราโกรธคือให้อภัยก็อย่าไปถือสาเขาอะเขาอยากจะคุยกันเรื่องของเขาเป็นความสุขของเขาเราต้องการให้เขามีความสุขไม่ใช่เหรือ มันก็มีความสุขจากการคุยกันก็เราก็ยอมเสียสละการฟังธรรมตอนนี้ไปนั่งฟังก็คุยไปเลยมันก็จะไม่โกรธมันก็จะสบายใจมีความสุขมีความเมตตาคำถามจะคุณทำดีดีกว่าขอพรนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้กิเลสครอบงำผมมากเลยครับผมไม่รู้จะหาทางออกทางไหนดีครับก็ทางฆ่ากิเลสเนี่ย ฆ่ามันเลยเวลามันมาไปไปเลี้ยงมันไว้ทําไมเวลามันโลภก็อย่าไปทําตามความโลภเวลามันโกรธก็อย่าไปทําตามความโกรธใช้พุทโธฆ่าก็ได้ใช้ปัญญาฆ่าก็ได้แล้วแต่เรามีอาวุธอันไหนก็ใช้ไปถ้าโลภเราก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราโลภเดี๋ยวความโลภมันก็หยุดไปครับอาจารย์ครับเอ่อ คำถามจากคุณดารารัตเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีงานประจําแต่อยากปฏิบัติด้วยถ้าใช้การเจริญสติในชีวิตประจําวันกับการทํางานไปด้วยจะได้ไหมครับอาจารย์ก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้เต็มที่เพราะมันโอกาสที่จ ะ, จะเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ทํางานนี้มันยากเพราะต้องใช้ความคิดกับการทํางานแต่ก็ได้อย่างน้อยมันก็การแม่เราคิดทุ้งซ่านได้แต่เรายังหยุดคิดไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ความคิดอยู่ ช่วททำงานแบบที่ไม่ต้องใช้ความคิดได้ยิงดีเช่นเป็นเช่นทำงานกวาดบ้านถูบ้านอย่างนี้มันก็จะใช้ความคิดน้อยอย่างนี้การเจริญสติก็จะได้ได้มากกว่าแล้วเวลานั่งสมาธิเจ็ดก็จะสงบได้ง่ายกว่าคำถามจากคุณทัศนีนะครับอา น, นิสงการฟังธรรมในทุกวันเราจะได้รับอะไรคะก็มีห้าประการหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสามจะกําจัดความสงสัยในเรื่องบางเรื่องบางอย่างได้นะหรือทุกเรื่องทุกอย่างได้นะสี่ทำให้เรามีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้จิตเราผงใสสงบมีความสุขคําถามหมดแล้วครับอาจารย์อ่าก็หมดเวลาพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหม